บททีเจ็ดสิบแปดเดบไห์ออยันิมีดิคำคุณศัพท์หนึ่งวิเศชนาลุวกติผู้หญิงชาราหนึ่งคนวอกมุสลิอาวดะผู้หญิงอ้วนหนึ่งคน แล้วก็หน้าว ก, นนะบกาบิดผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นหนึ่งคนบุตรุกตะการิกนะินวกาวิดรถใหม่หนึ่งคันวกาบกัตตะการุรถความเร็วสูงหนึ่งคันเว่งกัเวลเวกาการถนั่งสบายหนึ่งคัน สเรยียงนว่ า, วาวะกกการุชุดเบสสีฟ้าหนึ่งชุดว่ากันนีเล่นรังดุตลชุดเรสสีแดงหนึ่งชุดวา ก, กัยรดุสตลชุดเสสีเขียวหนึ่งชุดว่อากปชะรดุตลกระเป๋าถือสีดำหนึ่งใบ บวกก น, นั่ละสันชีกระเป๋าถือสีน้ำตาลหนึ่งใบบวกกโกตมะรังโกะละวกกัสันชีกระเป๋าถือสีขาวหนึ่งใบบวกกเตลละสันชีคนใจดีหลายคนมันชีมนุษยลคนสุภาพหลายคน วินยมักะละมนุษลคนน่าสนใจหลายคนมนุษรมยนะมานุลเด็กน่ารักมุดดเจพิลล่ลเด็กดือ้อชิลิปิโกยปิลล่ลเด็กดีสาธุติกะละพิลลลู